สิกขาบทที่7ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บอกสิกขมานาว่าแม่คุณถ้าเธอจักให้จีวรแก่เราเราก็จะบวชให้เธอภายหลังไม่บวชให้ทั้งไม่ขวนขวายใช้ให้บวชให้ ณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลละนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลละนันธาบอกสิกขมานาว่าแม่คุณถ้าเธอจะให้จีวรแก่เราเราก็จะบวชให้เธอ ภายหลังไม่บวชให้ทั้งไม่ขวนขวายใช้ให้บวชให้ในสิกขาบทที่เจ็ดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเคปะสมุดฐานละ